บทที่สี่สิบเจ็ดกระสตรีหลวงพ่อเจ้าขาลูกจะมาขอเข้ากรรมฐานแก้กรรมเจ้าค่ะสตรีร่างสูงใหญ่หดุดบุรุษนักรบโบราณกล่าบเรียนท่านพระครูแก้กรรมอะไรหนูไปทำอะไรไว้ จะอาวาดวัดป่ามาม่วงถามไม่ทราบเจ้าค่ะลูกไปดูหมอดูมาหมอดูบอกว่าลูกมีเวีนมีกรรมติดมาแต่ชาติปางก่อนต้องแก้กรรมด้วยกรรมฐานเจ้าค่ะแล้วหมอดูเขาบอกว่าให้มาวัดนี้หรือไม่ได้บอกเจ้าค่ะแต่ว่าเพื่อนของลูกที่เป็นลูกสาวหลวงพ่อเขาแนะนามาเจ้าค่ะเขาชื่อต้นเหลิว ลูกเรียนปริญญาโท ร, รุ่นเดียวกับเขาเจ้าค่ะท่านพักครูใช้เห็นหนอตรวจสอบกรรมของหล่อนและจึงพูดว่าหลวงพ่อตรวจสอบดูแล้วไม่ใช่กรรมแต่ชาติบางก่อนอย่างที่หมอดูบอกเป็นกรรมในชาตินี้นี่แหละหนูทำไว้สมัยเป็นเด็กลองนึกดูสิว่าทำอะไรไว้ลูกจำไม่ได้หรอกเจ้าค่ะ รู้แต่ว่าลูกมีเวรมีกรรมพอหน้าแรงทื่อไล่ลูกรู้สึกอึดอัดในท้องจนหายใจไม่ออกแล้วก็เกิดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อกินไม่ได้ไปหาหมอหมอตรวจแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรผิดปกติไปตรวจกับหมอคนอื่นๆผลก็ออกมาเหมือนๆกันคือหมอทุกคนจะบอกว่าไม่มีอะไรผิดปกติครั้งหลังสุดหมอเขาคงรำคาญ ก็เลยให้ยาระงับประสาทลูกมาหาว่าลูกกังวลจนเกินเหตุลูกถึงต้องมาขอเข้ากรรมาฐานเพื่อแก้วเวรแก้กรรมมันจะต้องเป็นเวรเป็นกรรมอะไรสักอย่างหลวงพ่อต้องช่วยลูกนะเจ้าคะหลอนลงท้ายด้วยการขอร้องแก้ บ, บังคับให้ท่านพระครูช่วยเหลือที่เล่ามานะ่ะหลวงพ่อพอสรุปให้ฟังสั้นๆ ว่าหมอเข้าตรวจไม่พบความผิดปกติเพราะโรคกรรมไม่มีหมอที่ไหนจะรักษาได้หนูเป็นคนทำกรรมก็ต้องแก้โดยตัวข้องหนูเองการมาเข้ากรรมาฐานก็เป็นวิธีที่ถูกต้องเอาละที่นี้หลวงพ่อก็จะลองวินิจฉัยอาการป่วยของหนูโดยไม่ต้องตรวจแบบหมอเพราะว่าหลวงพ่อไม่ได้เป็นหมอ หลวงพ่อจะใช้อะไรตรวจเจ้าคะเพื่อนร่วมชั้นของนางสาวต้นหลิวถามท่านพระครูตอบสั้นๆว่าใช้กรรมฐานกรรมฐานใช้ตรวจโรคได้ด้วยหรือเจ้าคะได้สิเอาละหลวงพ่อจะใช้กรรมฐานตรวจและวินิจฉัยโรคให้หนูหนูมีอาการอย่างนี้เฉพาะตอนหน้าแรงใช่ไหม ยังไม่ต้องตอบหลวงพ่อก็ได้พอเข้าหน้าฝนอาการนี้ก็จะหายไปพอถึงหน้าแล้งก็มีอาการอย่างนี้อีกอาการดังกล่าวมานี่เป็นมาตั้งแต่อยู่ชั้นมัธยมกระทั่งแต่งงานมีลูกสามคนลูกสาวสองลูกชายหนึ่งหนูเป็นอาจารย์อยู่ที่กรุงเทพกำลังเรียนต่อปริญญาโทที่จุฬา สาเหตุที่มาเข้ากรรมฐานไม่ใช่จะมาแก้กรรมอย่างเดียวแต่มาเพราะอยากได้เกรด่หนูได้เกรด 3.8 แต่มีเพื่อนที่เรียนด้วยกันได้เกรด่อยู่2คนหนูก็เลยถามเขาว่าจะทำอย่างไรถึงได้เกรด4 2คนนี้เขาก็ตอบเหมือนกันว่ามาเข้ากรรมฐานหนูก็เลยกะว่าจะยิงปืนนัดเดียวได้นกถึง2ตัว ก็จึงมาเข้ากรรมฐานเพื่อจะได้แก้กรรมจากการป่วยด้วยและหวังจะได้เกรดสี่เหมือนเพื่อนอีกสองคนด้วยหลวงพ่อขอทำนายว่าถานายปฏิบัติอย่างตั้งใจก็จะได้อา น, นิสงส์ทั้งสองประการดังที่คาดหวังเอาละที่หลวงพ่อพูดมาเนี่ยผิดหรือว่าถูกประการใดลองว่ามาสิ อาจารย์ลูกสามวัยสสาถึงกับอ้าปากค้างเมื่ได้ฟังท่านพระครูพูดถึงเรื่องของหลอนซึ่งถูกต้องตามเป็นจริงทุกอย่างไม่มีอะไรบิดเพี้ยนแม้แต่นิดเดียวพระอาหารหันต์หลวงพ่อเป็นพระอาหารหันต์หลอนพูดเสียงค่อนข้างดังอย่าพูดอย่างนั้นจะเป็นบาปเป็นกรรมเปล่าๆหนูยังเป็นผู้ตุชนจะมารู้ได้อย่างไร ว่าหลวงพ่อเป็นพระอรหันต์แต่ก็เอาเถอะหลวงพ่อรับรองว่าการที่หนูจะมาเข้ากรรมฐ า, านในครั้งนี้จะหายจากโรคทั้งโรคกายและโรคใจอาการอืดอัดในท้องทานอะไรไม่ได้ทั้งหิวใจแถบขาดนั้นเป็นกรรมที่หนูทำไว้สมัยที่เป็นนักเรียนชั้นประถมพอเรียนมัธยม กรรมก็เริ่มให้ผลมาตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้ส่วนโรคใจก็คือลึกๆหนูอิจฉาเพื่อนที่เขาเรียนเก่งกว่าแต่การอิจฉาแบบนี้เป็นเรื่องดีเพราะทําให้เราคิดที่จะพัฒนาตัวเองก็ไม่ถือเป็นบาปถาริษยาถึงจะเป็นบาปเอาละทีนี้หนูนึกออกหรือยังว่าสมัยที่เรเรียนชั้นปถมได้ทากรรมอะไรไว้ ทำต่อเนื่องกันตั้งห้าหกปีพอเรียนจบมัธยมจึงได้เลิกทำแล้วกรรมก็เริ่มให้ผลตั้งแต่บัดนั้นแปลว่าถ้าลูกยังไม่เลิกกรรมก็ยังไม่ตามอย่างนั้นเหรือเจ้าคะถามอย่างสงสยัยท่านพระครูเองก็สงสัยเช่นกันว่าเหตุใดหล่อนจึงแทนตัวเองว่าลูกแทนที่จะเป็นหนูหรือดิฉันเหมือนสตรีอื่นๆที่พูดกัน อีกประการหนึ่งทำไม ห, หล่อนจึงพูดเจ้าขาเจ้าขาเรากับว่ากำลังเล่นลิเกยอยู่ฉะนั้นวิธีที่จะขจัดความสงสยัยจำเป็นต้องใช้เห็นหนอท่านกำหนดจิตบริกรรมเห็นหนอในใจและแล้วก็ย้อนกลับเข้าไปสู่อดีตอันยาวไกล ตนสมัยสุขโขทัยเป็นราชธานีมีเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งอยู่ทางตอนเหนือของอาณาจักรสุขโขทยัยท่านเป็นกษัตริย์ครองเมืองมีพระโอรสหนึ่งพระธิดาหนึ่งสตรีที่นั่งอยู่เบื้องหน้าท่านคือพระธิดาเมื่อครั้งกันนั้นพระนางรบเก่งและตามเสด็จพระราชบิดาไปสงครามทุกครั้งขณะที่พระโอรสหลบเลี่ยงก่อนสวรรคต พระองค์ทรงสละราชสมบัติและทรงแต่งตั้งให้พระธิดาเป็นกษัตริย์กรองเมืองแทนพระอรกรกลิ้วถึงกับประกาศออกมาว่าจะไม่ขอเกิดร่วมแผ่นดินกับพราชบิดาอีกบัดนี้พระโอรสมาเกิดเป็นลูกสาวจีนที่ประเทศสิงคโปร์อีกห้าปีข้างหน้าหล่อนจะต้องมาบวชชีและช่วยทันสอนกรรมาฐานให้ชาวต่างประเทศ ส่วนสตรีที่นั่งอยู่เบื้องหน้าท่านหลังจากเข้ากรรมฐานใช้นี่ประโบแล้วยังต้องมีกา ร, รชดใช้ต่อไปอีกเพราะทํากรรมหนักนะ้าสาหัสไว้กับนางสนมคนสนิทแม้จะเป็นกษัตริย์ผู้เก่งกล้าหากก็ดื้อรั้นไม่เชื่อฟังผู้ใดทั้งยังมีใจโหดเยี่ยมฆ่าสนมคนสนิทให้ตายอย่างทรมานด้วยความผิดเพียงเล็กน้อย แม้พระสวามีจะทุนทัดทานพระนางก็หาเชื่อฟังไม่ก่อนตายนางสนมนั้นได้ปลูกอาคาดไว้ว่าจะขอจองเวรจองกรรมไปทุกภพทุกชาติหลวงพ่อยังไม่ได้ตอบคำถามหนูเลยนะเจ้าคะอาจารย์วัยสามสิบสาวงเมื่อเห็นท่านมองหล่อนด้วยสายตาของพ่อที่มองลูกลิเกลิเกจริงๆ ท่านพระครูรำพึงเมื่อได้ล่วงรู้อีกพบชาติหนึ่งของวัตจักชีวิตลิเกอะไรหรือเจ้าคะกษัตริย์แต่ปางก่อนไม่เข้าใจลิเกชีวิตนะสิชีวิตของเราเนี่ยมันเหมือนลิเกนะหนูนะมีพระเอกนางเอกแล้วก็มีตัวโกงบางคนก็เป็นทั้งนางเอกเป็นทั้งตัวโกงในเวลาเดียวกันอย่างหนูเป็นต้น หลวงพ่อพูดอะไรเจ้าค้าลูกไม่เข้าใจจะเข้าใจได้อย่างไรล่ะในเมื่อหนูยังไม่ได้ปฏิบตัติเมื่ อ, อยังรู้เหตุผลแล้วว่าเหตุดายหล่อนจึงพูดแทนตัวเองว่าลูกสมภารวัยห้าสิบเศษก็หายสงสยัยสตรีผู้นี้เคยเป็นลูกของท่านมาพบชาติหนึ่งในวัฏจักรชีวิตอันยาวไกลนี้ แม้ว่าท่านจะตัดขาดจากวงจรดังกล่าวได้แล้วหากก็ยังต้องช่วยเหลือเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายที่เขาพากันมาให้ช่วยเป็นการทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับพญาโยมราชอีกโสดหนึ่งด้วยแต่พ่อยังไม่ได้บอกลูกเลยนะเจ้าคะว่าลูกทํากรรมอะไรไว้เมื่อสมัยเรียนชั้นปถมอดีตกษัตรีเกิดความรู้สึกผูกพันถึงกับเรียกต้นว่าพ่อ ท่านพระครูจึงรีบห้ามว่าเรียกลุงพ่อดีกว่านะเดี๋ยวใครเขาไม่รู้จะคิดว่าหลวงพ่อไปแอบมีลูกไว้คนเขายิ่งจองจับผิดอยู่ด้วยท่านบอกอาจารย์สาวหลวงพ่อเจ้าคะและหลวงพ่อไม่ได้เป็นพ่อของต้นหลิยวหรือเจ้าคะก็ไหนบอกว่าเขาเป็นลูกสาวหลวงพ่อหลวงพ่อเป็นคนส่งให้เขาเรียนโทเพื่อนๆ เ, เขายังเข้าใจว่าหลวงพ่อมีลูกสาว แสดงว่าเขาโกหกพวกเราอย่างนั้นหรือเจ้าคะเพื่อนอาจารย์สาวคนนึงกล่าวขึ้นเขาพูดอย่างนั้นหรือเจ้าคะ่ะเขาไม่ใช่ลูกสาวหลวงพ่ อ, ห ร, อหรือเจ้าคะหลวงพ่อปวดตั้งแต่อายุยี่สิบแล้วก็ไม่เคยสึกเลยจะไปมีลูกได้อย่างไรแต่เรื่องที่หลวงพ่อส่งเขาเรียนปริญญาโทนั้นเป็นความจริง เพราะเตียกับแม่เขาไม่ยอมให้เรียนแต่ตอนนี้หลวงพ่อก็ไม่ได้ส่งเขาเรียนแล้วเพราะว่ามีโยมที่เป็นมุสลิมเข้ามาช่วยส่งแทนถ้าไม่หลวงพ่อถึงใจดีกับเขาส่งเขาเรียนทั้งที่เขาไม่ได้เป็นลูกหลวงพ่อเราจะคะเพราะหลวงพ่อเรียนมาน้อยก็เลยอยากสนับสนุนให้คนอื่นได้เรียนมากๆถ้าใครเรียนต่อแล้วไม่มีทุนหลวงพ่อก็จะช่วยส่งเรียน ถ้าหลวงพ่อพอมีเงินส่งหนูก็เหมือนการต้องเรียนให้เป็นด็อกเตอร์เลยนะหลวงพ่อจะช่วยส่งลูกเรียนหรือเจ้าคะหลวงพ่อไม่ต้องส่งหรอกสามีหนูเขารวยไม่ใช่หรือนั่นแหละเขาจะเป็นคนส่งเองหลวงพ่อไม่ต้องช่วยส่งเอาละทีนี้ลองนึกดูซิว่าหนูเคยทำกรรมอะไรไว้ตอนเรียนชั้นประถม ท่านทบทวนคำถามอีกครั้งหนูยังนึกไม่ออกเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อกรุณาบอกใบให้ลูกได้ไหมเจ้าค่ะอะจะเอาอย่างนั้นหรือเอาละหลวงพ่อจะบอกใบให้ก็ได้หนูรู้จักปลาบูไหมการที่หนูมีอาการท้องอืดท้องเฟอ้ออึดอัดแน่นท้องเพราะทำกรรมไว้กับปลาบูอาจารย์สาวพูดขึ้นโดยเสียงค่อนข้างดังว่า ออกแล้วเจ้าค่ะลูกทำกรรมไว้กับประบูจริงๆด้วยคือตอนเรียนชั้นปถมลูกซุกซนมากบ้านของลูกอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพยาพอหน้าน้ำน้ำจะท่วมที่ไตถุนบ้านพอหน้าแลงน้ำลดลูกประบูก็จะถูกขังอยู่ในแอ่งรอบๆเสาบ้านลูกก็จะเป็นหัวโจกชวนเพื่อนๆและน้องๆอีกสามคนช่วยกันจับลูกประบู ข, ขึ้นมา เป็นลูกประบูที่อยู่ในวัยรุ่นคือหมายความว่าจะเป็นเด็กก็ไม่ใช่จะเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่เชิงตัวก็ขนาดเท่าแขนของลูกในตอนนั้นพอจับขึ้นมาลูกก็ง้างปากมันให้อ้าแล้วก็ดินยัดใส่ปากจนเต็มท้องทุกตัวประบูก็ตายพวกเราต้องทำศพให้มันน้องชายของลูกก็ไปเอาพักเขามา้ามาห่มทาเป็นพระ จากนั้นก็ทําพิธีสวดศพให้ลูกปลาบูพวกเราสนุกกันมากไม่ได้รู้เลยว่าเป็นเวรเป็นกรรมพอลูกเรียนจบชั้นมัธยมเลิกเล่นกับปะาบูแต่พอเลิกกลับมีอาการท้องอืดแน่นท้องในฤดูแล้งพอเข้าฤดูฝนอาการก็หายไปเป็นมาตั้งแต่เรียนชั้นมัธยมถึงเรียนปริญญาโท ลูกนี่ไม่ถึงเลยว่าจะต้องมารับกรรมแต่ทำไมคนอื่นๆเขาถึงไม่ได้รับทำไมลูกต้องมารับอยู่คนเดียวไม่ยุติธรรมเลยนะเจ้าคะหล่อนคิดว่ากรรมลาเอียงเพราะลูกเป็นหัวโจกจึงต้องรับกรรมก่อนคนอื่นแต่กรรมเรื่องประบูยังไม่หนักเท่าไรยังมีกรรมหนักนาสาหัสกว่านี้ท่านพูดเป็นนาน คงไม่มีแล้วเจ้าค่ะลูกทำกรรมกับประบูเท่านั้นกรรมอื่นไม่มีเจ้าค่ะอาจารย์วบสาว30ปฏิเสธเสียงหนักแน่นมีสิเป็นกรรมที่ติดตามมาแต่อดีตชาติเอาละขอให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติกรรมฐานแล้วจะระลึกชาติได้ต้องให้รู้เองเห็นเองถึงจะเชื่อคนอื่นบอกก็ยังเชื่อไม่ได้ เพราะคนอื่นเขาไม่ได้เป็นเราเอาละเขาไปพักได้มีอะไรขาดเหลือบอกหลวงพอ่อท่านบอกพระธิดาในอดีตชาติอาจารย์ลูกสามกราบเบญจางค้ประดิษฐ์สามครั้งอย่างสวยงามและก็ลุกออกไปบรรดาผู้ที่รอคิวก็รู้สึกโล่งใจเพราะสตรีร่างสูงใหญ่ผู้นี้ใช้เวลาสนทนากับท่านพระครูนานกว่าคนอื่นๆ ทำให้พวกตนต้องรอนานจนรู้สึกหงุดหงิดคืนนั้นหลังจากสอบอารมณ์ให้ผู้ปฏิบัติทมเสร็จสิ้นลงก่อนแยกย้ายกันไปพักครูใหญ่คนหนึ่งก็เข้ามากราบเรียนท่านพระครูว่าหลวงพ่อครับสร้อยคอทองคำหนักห้าบาทพร้อมพระสมเด็จเลี่ยมทองของผมหายไปครับผมจะขออนุญาตค้นห้องพักของผู้เข้าอบรมได้หรือเปล่าครับอย่าทาอย่างนั้น ประเดี๋ยวอาตมาตจะให้เอามาคืนครูใหญ่ไม่ต้องไปพูดหรือว่าไปถามใครทั้งสิน้นเดี๋ยวคนขโมยเขาจะรู้ตัวท่านรู้ว่าคนขโมยคือครูใหญ่ที่พักห้องเดียวกับเขาถือโอกาสตอนที่เขาอยู่ในห้องน้ำขโมยไปใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงของตนม้วนกางเกงตัวนั้นใส่กระเป๋าเสื้อผ้าไว้อีกทีหนึง่งท่านรู้สึกสลดใจที่คนเป็นครูบาอาจารย์ ก็ยังประพฤติชั่วขนาดมาทำความดีก็ยังไม่ละความชั่วปล่อยให้โลภะครอบงมจิตใจจนถึงกับล่วงละเมิดศีลทั้งที่อยู่ในเขตสังฆาวาสแล้วอย่างนี้จะไปสอนนักเรียนให้ได้ดีได้อย่างไรท่านกำลังคิดว่าจะจับขโมยด้วยวิธีใดพลันสายตาก็มองเพ่งไปข้างหน้าก็สัมผัสกับสตรีในชุดสีดำ มือถือไม่กวาดด้ามยาวยืนมองมายัางท่านหล่อนคงรู้เห็นการกระทำของครูใหญ่คนนั้นจึงตั้งใจมารายงานเอาละ่ะอาตมามีเรื่องสำคัญจะแจ้งให้คณะผู้ปฏิบัติธรรมทราบก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับไปที่พักท่านจำต้องใช้กุศโลบายเพื่อจับขโมยขอแจ้งให้ทราบว่า ในบรรดาผู้มาปฏิบัติธรรมคณะนี้อัตมาเห็นคนหนึ่งกำลังมีเคราะห์ถ้าใครเห็นผู้หญิงใส่ชุดดำถือไม่กวาดก็ให้รีบมาบอกอัตมาทันทีอัตมาจะนั่งรออยู่ตรงนี้ต้องมาให้อัตมาช่วยสะเดาะเคราะห์จึงจะหายบรรดาครูใหญ่พากันใจเสียต่างคิดปลอบใจตัวเองว่าคนที่เคราะห์ร้ายคือคนอื่น หาใช่ตัวเราไม่เมื่อผู้ปฏิบัติธรรมแยกย้ายกันกลับที่พักแล้วท่านกวากมือเรียกสตรีชุดดำนั้นเข้ามานั่งเบื้องหน้าและก็สั่งว่าไปจัดการจับขโมยให้ด้วยรู้ไหมว่าเป็นใครทราบเจ้าค่ะยังอยู่ในวัดนี้หรือไม่เจอกันเสนนานอตมานึกว่าไปอยู่กับคู่รักแล้วท่านหมายถึงบรุษผู้มากับก้อนหิน รูปไข่เมื่อหลายปีก่อนยังอยู่เจ้าค่ะดิฉันจะไปก็เป็นห่วงหลวงพ่อเลยคอยช่วยดูแลความเรียบร้อยต่อไปก็จะมีคนทูตศีลมาเข้าวัดอีกมากดิฉันจะช่วยเป็นหูเป็นตาให้เจ้าค่ะพูดพลางกราบสามครั้งแล้วหายวับไปหลวงพ่อพูดกับใครนะผมไม่เห็นมีใครสักคนสมชาย ซึ่งนั่งรออยู่เบื้องหลังอาสนะถามขึ้นเขานั่งสปปงกอยู่นานเพิ่งมาตาสว่างตอนที่ท่านบอกให้ผู้ปฏิบัติธรรมแยกย้ายกันกลับไปที่พักพูดกับคนที่เขาช่วยดูแลวัดผู้หญิงหรือผู้ชายครับผู้หญิงผมไม่เห็นใครสักคนเห็นแต่หลวงพ่อไม่เห็นก็ไม่เป็นไรฉันบอกให้เขาไปช่วยจับขโมยครูใหญ่ ให้พักห้องเดียวกันเกิดขโมยของกันเดี๋ยวเขาจะจับขโมยมาให้แต่เธอไม่เชื่อก็คอยดูกันแล้วกันอย่าเพิ่งถามครับผมจะคอยดูว่าแล้วก็นั่งหลับต่อ<ก> <innovation> เมื่อถึงกุฏิที่พักพระกูบุญชูเดินขึ้นบันไดไปก่อน ไขกุญแจแล้วเปิดประตูเข้าไปในห้องกำลังเอื้อมมือไปเปิดสวิตไฟครูสุทินก็วิ่งพรวดพรวดขึ้นบันไดามาพูดเสียงละล่ำละลักว่าบุญชูไปหาหลวงพ่อกับผมหน่อยไปดูนี้เลยเกิดอะไรขึ้นครูเห็นอะไรหรือครูบุญชูถามผมเห็นผู้หญิงแต่งชุดสีดำถือไม้กวาดยืนอยู่ข้างบันไดผมกำลังมีเคราะห์ ไปหาหลวงพ่อกับผมหน่อยผู้หญิงคนนั้นอยู่ไหนหายไปแล้วเธอคงไม่ใช่คนต้องเป็นผีแน่ๆถ้าเป็นคนคงไม่มาดึกๆเด่นๆอย่างนี้เลวไหลนะผีที่ไหนจะมาหลอกคนที่ปฏิบัติธรรมครูคิดไปเองหรือเปล่าผมไม่ได้คิดไปเองได้โปรดเธอไปเป็นเพื่อนผมหน่อยไปเดี๋ยวนี้เลย เขาคิดว่าท่านพระครูจะช่วยสะเดาะเคราะห์ให้ไปก่็ไปแต่ท่านานผมขออนุญาตกลับก่อนนะคงไม่นานหรอกแต่เอาเอถอะทนานครูจะกลับก่อนก็ได้และผมก็จะขอลูกศิษย์หลวงพ่อมาส่งเขาหมายถึงในสมชายเมื่อครูใหญ่สองคนกลับมาที่หอประชุมอีกครั้งท่านพระครูก็นั่งอยู่ที่เดิม โดยมีนสมชายนั่งหลับตาสปงกอยู่เบื้องหน้าหลวงพ่อครับผมมาขอให้หลวงพ่อช่วยสะเดาะเคราะห์ครับครูสุทินกราบเรียนด้วยใบหน้าท่าทางที่ยังตนกอยู่ครูใหญ่เห็นผู้หญิงใส่ชุดสีดำถือไม่กวาดไหมครับครับหลวงพ่อกรุณาสะเดาะเคราะห์ให้ผมด้วยงั้นก็ให้เพื่อนเขากลับไปก่อนจะได้ไม่รบ ก, กวนเวลาเขา ครูใหญ่ไปพักผ่อนก่อนนะอาตามาจะทำพิธีสะเดาะเคราะห์คงต้องใช้เวลานา น, านหน่อยท่านบอกครูบุญชูครับหลวงพ่อครูใหญ่ว้ห้าสิบเศษรับคำและจึงกราบเบญจางคับปดิดสามหนจากนั้นจึงลุกออกไปท่านพระครูพูดกับครูสุทินว่าเอาเถอะไปคืนเข้าเสียของอะไรใครครับ ครูใหญ่ไวใกล้กเกษียนถามกลับสร้อยคอทองคำกับพระเลี่ยมทองที่เอาซ่อนไว้ในกระเป๋ากางเกงอัตมารู้สึกเสียใจที่ครูใหญ่มาทำเรื่องเสียหายในวัดนี้ในเมื่อตั้งใจมาทำความดีแล้วทำไมถึงมาทำชั่วละ่ะนี่ก็ใกล้จ ะ, กะเกษียรแล้วไม่ใช่หรือเกิดข้อ้อเรื่องขึ้นมาก็จะถูกสอบสวนทางวินยัยอาจถูกไล่ออกก็ได้ท่านครู หลวงพ่อช่วยผมด้วยผมผิดไปแล้วมันอารมณ์ชั่ววูบเดียวเองครับผมยอมรับว่าผมเลวมากหลวงพ่อช่วยผมด้วยอย่าให้ถูกสอบสวนอย่าให้ถูกไล่ออกเกิดผมไม่ได้รับบำเหน็จบำนาญลูกเมียผมต้องเดือดร้อนแน่ลูกผมยังเรียนไม่จบเลยครับครูใหญ่วัยใกล้หกสิบคร่ำครวนที่ยังเรียนไม่จบนะ่ะ ลูกของภรรยาคนที่สามต่างหากล่ะครูใหญ่มีภรรยาสามคนภรรยาคนแรกกับคนที่สองต้องหาเลี้ยงลูกตามลำพังเพราะครูใหญ่อยู่แต่กับภรรยาคนที่สามไม่ได้จดทะเบียนกันที่ไม่ได้จดทะเบียนเขาก็ยังไม่ได้ยากับสามีอาตมาขอพูดตรงๆว่านอกจากผิดศีลข้ออธินาทานแล้ว ยังผิดข้อกาเมซุมิชอาจานอีกด้วยและที่น่ารังเกียจ ม, มากกว่านั้นก็คือครูใหญ่เป็นครูบาอาจารย์เมื่อมาทำชั่วเสีเองอย่างนี้เขาจะไปสอนคนอื่นให้ดีได้อย่างไรอาตมาขอตำหนิต่อหน้าเลยนะตำหนิมากๆผมผิดไปแล้วครับหลวงพ่อผมขอตั้งสัจจะว่าต่อไปนี้ผมจะกลับเนื้อกลับตัว จะลัชั่วทําดีทําจิตใจให้ผ่องใสาตามคําส่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผมทําบาปมามากแล้วต่อไปนี้จะขอทําบุญล้างบาปถึงแม้จะล้างไม่ได้หมดก็ยังดีกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยบุญกับบาปล้างกันไม่ได้หรอกครูใหญ่บุญก็ไปตามบุญบาปก็ไปตามบาปเหมือนน้ํากับน้ํามันที่ไม่มีกวนจะ ผสมกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันได้แต่การที่ตั้งสัจจะและวาจาชั่วทำดีอัตมาขออนุโมทนาเอาละเสร็จพิธีสะเดาะเคราะห์แล้วกลับไปทำหน้าที่ไปอาบน้ำอาบท่าให้สบายเนื้อสบายตัวและสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนแล้วจึงนอนตอนเช้ามืดก่อนมาทําวัดเช้าก็ให้เอาส่้อยแขวนไว้ที่เดิม พอเจ้าของเขากลับมาเห็นจะได้ไม่สงสัยว่าครูใหญ่เป็นคนเอาไปเอาละกลับไปที่พักผ่อนได้แล้วครูใหญ่วัยใกล้หกสิบกราบประโลกประโลกสามครั้งแล้วจึงลุกออกไปยืนรอในสมชายเพื่อจะขอขมาเขาซึ่งส่งเสียงกรนคลอก อ, อยู่อย่างไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกลั้นถูกปลุกก็สะดุง้งแล้วขึ้นไปเปิดดูประตูศาลา จากนั้นจึงเดินข้ามตามไปเมื่อถึงกุฏิท่านพระครูเข้าไปข้างในแล้วครูสุทินจึงออกปากขอให้เขาเดินไปส่งยังที่กุฏิที่พัก